พินยังยืนอยู่ที่เดิมมองดูหล่อนจนลับตาแล้วหันกลับไปทางก้อนหินสูงชลูด ต, ตั้งลำรงอยู่ไม่ห่างจากร่มไม้ต้นนั้นแค่สองสามวาลักษณะเหมือนสิวลึงพุดโผอยู่ยังบริเวณกลางลานโล่งของบริเวณนั้นแล้วก็พูดเบาๆเรียบๆว่าออกมาเธอคิดอย่าไปมัวแอบซุ่มอยู่หลังก้อนหินนั่นเลยผมเห็นคุณ่ะ เงีไม่มีเสียงใดๆตอบออกมาจากก้อนหินนั้นฮึฮ <c oughs> พินหัวเราะเบาๆกล่าวต่อไปในเงามืดนั้นไงกะว่าจะมาวางมวยกับผมอย่งไงถ้าผมมีอะไรกับผู้หญิงของคุณ <c oughs> เมื่อนั้นจึงมีเสียงการเคลื่อนไหวเบาๆแล้วร่างอันสูงใหญ่ของนายคิดก็โผล่มาหลังก้อนหินนั้นโดยดีเดินตรงมาที่เขา กระพินสาบานให้ตายหาสิผมนั่นไม่ได้มีเจตนาจะมาแดบแอบดูอะไรคุณเลยนะนายนั่นพูดเสียงอ่อ ย, ออยในภาษาของตนแต่ความหมายแปลออกมาได้เช่นนั้นมันปวดท้องเยี่ยววะ่ะก็เลยลุกขึ้นออกมาหาที่ปล่อยตรงหลังก้อนหินนั่นก็พอดีคุณกระเบนมาหยุดกันที่นี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะคิดบุยปากไปทางหน้ากระโจมที่เบนรับหาย้าไป ไม่ใช่ของผมหรือของใครก็ได้สุดตลอนจะต้องการน่ะนี่คิดถ้าผมจะต่อยปากคุณสักฉาตอนนี้ผมก็มีเหตุผลนะในการที่คุณดูหมิ่นเหยียดหยามสุภาพสตรีคนหนึ่งแล้วสุภาพสตรีคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแท้ที่จริงก็เป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกับคุณน่ะแหละเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮยฮยอย่าบ้านะระพินผมไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดหยามอะไรร่อนหรอก แค่พูดจริงเกินไปหน่อยเบลาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากในด้านฟรีเซ็ก์แต่ต้องหมายถึงว่าหล่อนต้องการด้วยแล้วคุณมาพูดเรื่องนี้กับผมทำไมก็แปลกใจ่ะดิแปลกใจเรื่องอะไรไม่ทราบคุณผู้หญิงก็ให้ท่าขนาดนั้นแล้วทำไมคุณถึง ก่อนคิดจะพูดจบประโยคระพินก็สวนออกไปสะก่อนว่านี่คุณถ้าคุณไม่เข้าใจก่อนก็ขอยเข้าใจเสเดี๋ยวนี้เถอะผมน่ะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนจําเป็นอะไรนักแต่นะในเรื่องนี้อา้านี่ระพินพูดกันตามตรงแบบลูกผู้ชายเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะผมและบ๊อบนะ่ะไม่ขัดข้องนะเรื่องเนี้ตามสบายเลยคุณไม่ว่าจะเป็นเบลหรือคริสน่ะ ขอบคุณแต่ไม่หรอกสำหรับผมนี่คุณเป็นอะไรไปวะผมก็เป็นผม嘛นี่จะเป็นหาที่ไหนไปได้ไงผมหมายถึงว่าคุณจะเป็นผู้ชายป่วาวะกระทั่งดุนแหละแล้วก็ดุนใหญ่ด้วยแล้วใช้งานได้ดีป่ะ แน่นอนเพียงแต่จะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นหรอกอ้าวแล้วผู้หญิงฝ่ายผมอะ่ะไม่ช่วยอะไรคุณได้มั่งเลยเหรอทำไมหล่อนไม่สวยไม่มีเสน่ดึงดูใจคุณบ้างไงไม่มีส่วนใดปลุกอารมณ์หรือไงจอมพรานหัวเราะเสียงต่ำๆในลำคอมากเกินพอซะด้วยซ้ำ จาจะพิจารณากันถึงเฉพาะด้านวัตถุแห่งความใคร่และโดยใจจริงะผมก็ปรารถนาบางขณะร่างกายมันก็เรียกร้องแทบระเบิดนอนหลับบางครั้งยังฝันเปียกแต่อะไรอ่ะไม่มีคำอธิบายวะแล้วก็ไม่ต้องการอาธิบายเว้ยหลับเข้าไปนอนถเถอะปะเื่อนจยักผมเองก็จะนอนเหมือนกัน หรือว่าทาไมอยากนอนในกระโจมจะมานอนตากน้าข้างกับผมก็มาคิดเอามือเกาหูแกรแกรพยายามจ้องเขาในเงาสลัวแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากร่างสันทัดแกงเกรงที่ยืนนิ่งอยู่ถามจริงอะรพินคุณเห็นได้ไงว่าผมแอบอยู่หลังก้อนหินอะหมอนั่นถามมาตรงตรง ไม่เห็นก็ไม่ใช่พวกที่คุณจ้างให้มาทําหน้าที่นําทางและพรานคุ้มกันสิคุณแล้วเพราะเห็นผมหรือเปล่าคุณเลยปล่อยเบลหลุดมือไปคืนนี้ไอ้ความจริงผมไม่ได้ตั้งใจนะแล้วถ้าเป็นอยังงั้นผมเสียใจตายหาเลยนี่คิดอย่าเสียใจไปเลยไอ้สันดานผมนะ่ะมันไม่มีเหมือนคุณ วิเชตบูตมันอาจจะทารุณเหมือนกันที่ความรู้สึกเกิดขึ้นแต่ใจิตใจที่จะบังคับควบคุมตัวเองนะ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากคุณไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ผมปล่อยเบนไปทั้งทั้งที่มีโอกาสดีเลิศอย่างที่คุณคิดหรอกแต่ผมปล่อยหล่อนไปเองนี่ผมไม่เข้าใจคุณจริงๆนะรพินก็มไม่ต้องเข้าใจอะไร เพราะมันก็ไม่ได้สาคัญอะไรตรงไหนนี่คุณแน่ใจนะว่าคุณน่ะไม่มีอะไรบกพร่องในเรื่องนี้ระพินฉุนกึกวางไรเฟิลที่ถืออยู่กับแคร่รอบโคนต้นไม้พับแขนเสื้อขึ้นคีดเห็นท่าแบบนั้นก็เพ่นพรวดออกไปยืนห่างร้องลล่าละละกออกม า, าว่าเฮ้ยเฮ้ยฮยยบ้านะมันจะทำอะไร ให้โอกาสนะเพียงแค่นับหนึ่งถึงสามถ้าเองยังไม่ไปจพ้นหน้าข้าเจ้าเดี๋ยวนี้พอจะแตะช้างให้ล้มอีกสักครั้งหนึ่งเอาละ่ะหนึ่งพันเอกลาริคีตสมบทรลั่นโอ้ยอา้าวมุดกลับเข้าไปในกระโจมพักโดยดีทรานใหญ่โครงสีสับช้าๆแล้วถอนใจเฮือกเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกแรงๆ คว้าไรเฟินเดินตรงไปยังที่นอนของตนทันทีกระพินเอ็นกายลงเขี่ยผ้าห่มดำปู้ปีบางๆคลุมด้านปลายเท้าวไว้แล้วคว้ากระสอบป่านใกล้ๆขึ้นมาวางทับ อ, อกไว้บ้องกันความหนาวยกมือขึ้นกายหน้าผาหลับตาลงไม่มีใครเห็นสภาพแท้จริงของชายผู้น่าสงสารผู้นี้หรอก ว่าเขากินอยู่หลับนอนและต้องใช้ชีวิตเสียงไัยมินเมต่ออันตรายตลอดจนประสบกับความบอบชำ้ำยุ่งยากลำบากใจสักเพียงไหนแต่เขาก็ไม่เคยสำนึกถึงสภาพของตนเองหรือคิดสงสารตนเองเลยอย่างคนปล่งตบชีวิตนี้ยากแคนระทมทุกข์นะบางทีถ้าตายจะได้ก็คงจะหมดทุกข์ บอกกับตนเองเช่นนั้นแต่แล้วก็มีเสียงตอบความคิดของเขามาชนิดชัดเจนแจ่มใสที่สุดเบาๆว่ายังยังไม่ตายง่ายๆนักรอกผู้กองกรรมเก่าของผู้กองนะ่ะยังไม่หมดเขาเรียกอะไรนะอ๋อวิบากกรรมยังไงล่ะผู้กองรู้สึกจะชินชินซะแล้ว กับอนุสติหรืกจิตใต้สํานึกของตนเองประเภทนี้แต่ก็อดไม่ได้ที่จะค่อยๆยอเผยเบือตาขึ้นในลักษณะรีเพื่อจะดูที่มาของเสียงที่ประจาศสัมผัสบอกว่าน่าจะดังอยู่ใกล้ตัวแค่นี้เองเปล่านอกจากความมืดสลัวรอบกายและความวิเวกวังเวงเปล่าเปลียวรอบด้านแล้วเขามองไม่เห็นอะไร ไม่เอาหนะาอย่ามาทำลูกไม้รีตาดูแบบนั้นดิรับรองว่าผู้กองหลอกผมไม่สันเด็จหรอกนึกไงว่าผมไม่รู้กระแสเสียงกังวานทุม่มไพระเจือไปด้วยแววสับพยอกนั้นเว่ยวแววมาอีกจับทิศไม่ได้ว่ามาจากด้านซ้ายหรือขวาหรือว่าเหนือสีสักของเขาแต่ก็ไม่อยากจะค้นหาที่มาอีกล ปากก็พึพมพำออกไปว่าไม่ฉันเห็นตัวแกในขณะที่ฉันยังลืมตาอยู่นี่หน่อยไม่ได้ไงแงซายไม่ได้หรอกผู้กองผู้กองก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าผมเป็นคนขี้อายเออแล้วนี่แกจะพูด ก, กับฉันโดยเสียงเท่านั้นเหรอไม่ผู้กองอยากเห็นผมเอ อ, อฉันอยากเห็นแก ก็หลับตาลงเ้าซีปิดเปลือตาให้สนิทไม่ต้องถึงกันนอนหลับไปหรอกแต่บอกก่อนนะห้ามลืมตาหรือทำเป็นค่อยๆรีตาดูเป็นน้ำขาดไม่งั้นผู้กองมองไม่เห็นผมหรอกอะตกลงระพินปิดเปลือตาสนิทลงตามเดิมพี่โถห่างที่ไหนเจ้าอดีตคนใช้ชาวดงคู่ปรับ เท่าๆกมิต ร, ร่วมตายในอดีตนั่งยิ้มพลายอยู่ใกล้ๆตัวเขาระหว่างที่ยังนอนอยู่นั่นเองในคราบเดิมของแง่ายจอมพนเจจนจรไงตุกอเห็นผมแล้วยังร่างนั้นนั่งอยู่บนต่อไม้ถามมาปนยิ้ม <c oughs> เห็นแล้วกระรุ่งกระริ่งเหมือนเดิมนี่แกไม่คิดจะเปลี่ยนชุดเดิมของแกแคบ้างนี่ไง ก บ, บาลข้าผ้าดแดงเสื้อดำกางเกงครึ่งแข้งดำปืนคานเวียงสี่สิบสี่ขีดสี่สิบรุ่นเจสซี่เจมถูปูกองแง้สายจะเป็นแง้สายได้ก็ต้องอีชุดนี้แหละแล้ใยผมเปลี่ยนเครื่องทรงไงายาใส่สูตรผูกไทยหรือดอกทักซีโด้จะได้อะนี่ น, น ฉันวิเคราะห์ไม่ถูกเลยนะไว้ที่แกมาให้ฉันเห็นบ่อยๆในเวลาอยู่คนเดียวใกล้จะหลับหรือขณะหลับหรือขณะไม่สบายอะ่ะฉันสร้างภาพแกขึ้นมาเองจากจิตใต้สํานึกหรือมันอะไรกันแนะ่ยิ้มนั้นว่างออกไปอีกในชีวิตของระพินทร์ไครวันที่ท่องเที่ยวไปแล้วในโลกกว้างไกล เขายอมรับกับตนเองว่ายังไม่เคยเห็นบุรุษเพศ ช, ชาติใดเผ่าพันุใดสวยสงา่าคมคายทั้งสรีระและอากัปกิริยาท่าทีเท่ากับเจ้าคนชายชาวโดมผู้นี้เขาอยากจะเรียกว่าสวยมากกว่าจะใช้คำว่าหล่อเพราะเจ้านี่นะมันสวยจริงๆเทพระบุตรกรีกที่ปั้นไว้บางองค์ยังดูแล้วไม่ประทับใจเท่า นี่ผู้กองอการพยายามที่จะวิเคราะห์อะไรในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะ่ะมันเป็นเรื่องของคนบ้าหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นต้นเหตุทําให้บ้าเพราะฉะนั้นก็ยุติการวิเคราะห์ของผู้กองลงเสียดีกว่านะอไงก็ดีเหมือนกันต่อไปนี้ฉันจะไม่ค้นหาที่มาของแกอีกแล้วล่ะแต่อยากจะถามหน่อยว่านี่แกมาทําไม เอ้าก็เห็นผู้กองยังไม่หลับหรือหลับยังไม่ลงก็เลยจะมาเป็นเพื่อนคุยด้วยไงเป็นเพื่อนคุยด้วยเพื่อนยั่วโทรศัพท์กันแน่วะไงสายยักยไหลก็สุดแล้วแต่จะคิดปากติวิสัยของผู้กองก็เป็นคนขี้งุดงิดขี้พาโลอยู่แล้วยิ่งมายุคนี้ ยิ่งหนักขึ้นนะเหมือนเรากู่แก่ๆที่อารมณ์บุ๋อยู่ตลอดเวลายังไงล่ ะ, ะเห็นไหมเริ่มยั่วเริ่มกวนอารมณ์อีกแล้วแกเง่ย้ยไยกมือขึ้นโบกบอกมาโดยเร็วว่าโอเคโอเคไม่พูดไรให้กวนบาทายอีกแล้วอยากจะชมหน่อยปุกกองนะรักษาสัตว์จากได้ดีมากนะคืนนี้ยเออ ไม่ว่าคืนนี้หรือคืนไหนอะฉันก็จะพยายามรักษาสัจจ์นี้ตลอดไปถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะยังเป็นของฉันอยู่ก็ดีนายหญิงของผมจะได้ไม่ต้องเสียใจนายหญิงของแกเหะอระพินทวนคาเสียงขืนคืนบอกฉันหน่อยได้ไหมตอนนี้นายหญิงของแกทำอะไรอยู่ที่ไหน เจ้าชาวดงฉูงงามทำเป็นหลับตาลงเดี๋ยนะพวกกองขอเล็งที่พระเนธดูเหตุการณ์ก่อนอ๋ออ๋ออ๋ออ๋อเห็นแล้วนายหญิงก็อยู่ในชุดราตรีสีขาวล้วนไงกำลังเต้นรําอยู่กับใครที่ไหนก็ไม่รู้เห็นหน้ายังไม่ชัดแท่ดูท่าทางเธอมีความสุขมาก ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพดีไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกผู้ ก, ก, กองแล้วเจ้านั่นก็ลืมตายิ้มยิงฟันขาวตามเดิ ม, มก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องแล้วนี่ระพินพูดเสียงแผ่วเหมือนรำพึงกับตนเองแม่สายแงนมองขึ้นไปบนยอดไม้ต้นที่เขานอนอยู่ ผู้กองนกเขาตัวที่มันเคยร้องจู่หูฮุกกรูบนยอดไม้นั่นป่านนี้คงจะหลับไปแล้วล่ะนะไม่ได้ยินเสียงของมันเลยเออตะวันมันตกนกมันก็หลับแล้วจะไปยุ่งอะไรกับมันก็อยากปลุกให้มันตื่นขึ้นมาร้องเพลงขับกล่อมผู้กองอเองสิ หรือมันละเมอร้องออกมาก็ยังดีอะไรนะจู่คูฮุกครูเขาคูคร่ำครวนจู่คูฮุกครูเจ้าร้าง น, นวลโศกสวนศบเศร้านี่งยุดเถอะเงซายฉันขอร้องเจ้านักยุ่วฉันเลิศไม่สนใจกับคำขอร้องของเขา ป้องปากร้องเพลงแสนไพเราะระคนเศร้านั้นออกไปอีกประโยคนึงขึ้นไปบนฟ้ามืดว่าฉันยังรักเธอนะ น, นี่แล้วก็ทําท่าป้องหูรอคอยเสียงร้องสะท้อนตอบข้อความมาเหมือนเมื่อตอนเย็นนี้แต่ปรากฏว่าเงียบสงบคราวนี้ไม่มีสำเนียงเสียงใดตอบมาเลยแง่ า, ายเบะปาก ยักไหฮึ n no น answer! ไม่มีคำตอบจากสวรรค์ครับผู้กองนี่นี่นี่ฉันว่าฉันจะไม่ด่าแกแล้วนะแง่ทายแต่มันก็อดใช้พรุษสวาจา ก, กัดแกไม่ได้วะหาดองอ้าวๆๆผู้กองตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วมเสือถามทไม ก็เห็นอยู่แล้วมันดึกได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมนอกจากเสียงโกลนประสาทของผมอะก็เสียงจักระจันจิ่งรีดเรไรแล้วซศร้าไหมก็ไหนนอนสิซศร้ามันผมจะร้องเพลงกล่อมนะเออดี ฉันเป็นสาวขอนแก่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานไปไปไปไปไปไ ป, ไ ป, ไปก่อนนี้ฉันจะลุกขึ้นมาแล้วก็ไต่แกแงใาสาอมยิ้มยกมือขึ้นเป็นพระห้ามย่ามแล้วลดลงมากอดอกเปลี่ยนมาเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งระพินสดับเพียงท่อนแรกก็สออกอื้ง เหมือนถูกสะกดยามดึกนึกเศร้าให้เหงาใจเสียงเรไรร้องริงริงยิ่งเตือนใจให้คิดโอ้ชีวิตเราช่างเหงาโมเมาละเมอเฝ้าเพ้อคิดถึงชีวิตครั้งก่อนเก่า เมื่อเราแรกเริ่มรักแรกรักหวานนะักน้ำคำที่พร่ำรำพันชื่นใจกันมุ่งหมายมั่นรักพลันมากลับมากลายดูสิดูอนาถหาน้าอน า, าดใจคิดไม่ไวายรัก กลับกลายรักคลายรักหายสุดชื่นขมคืนหมดหวังเหมือนเมฆบังนาพาระพินไพรวันหลับไปแล้วอย่างซึมเศรา้าเงียบหนส่วงพี่ชายกลางนอนขนาบอยู่เมืองขวา พี่ชายใหญ่เบื้องซ้ายและถัดจากพี่ชายใหญ่ไปก็คือชัยยันส่วนหลอนดารินวราฤทธิ์นอนอยู่ตรงกลางหลอนหลับๆตื่นตื่นสลับกันอยู่เช่นนี้ไม่ทราบว่ากี่ครั้งมือทั้งสองประสานกันอยู่กลางรวงอกภายใตย้ผ้าคลุมของแบงเก็ตผืนใหญ่รอบด้านเงียบ ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงอันเป็นธรรมชาติของพงไพรเพราะแมะลงเล็กๆหรือจิ้งรีซักตัวก็ไม่ทำเสียงขึ้นเวลาจะล่วงผ่านไปซักเท่าใดในขณะนี้หล่อนไม่ทราบเพราะอยู่ในภาวะมืดตื้อไปหมดทั้งสมองแขนขาร่างกายหนักอึ้งไปหมดคล้ายๆจะกระดิกกระเดีย้ยไม่ได้ พี่ชายและเพื่อนที่นอนเรียงขนาบชิดอยู่ณบัดนี้หลับสนิทเป็นตายความรู้สึกของหล่อนบอกกับตนเองเช่นนั้นแรกสุดหล่อนเริ่มภาวานาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์พอครบสามข้าบเริ่มรู้สึกว่าเลือดลมที่กำลังถูกจับเป็นก้อนแข็งคลายลงและกระดิกกระเดี้ยได้บ้างจึงเปิดเปลือกตาขึ้น สิ่งแรกที่เห็นก็คือหลังคาพลาสติกที่ขึงตั้นน้ำค้างสูงจากระดับที่นอนหงายราบอยู่เพียงแค่ไม่เกินหนึ่งเมตรครึ่งแสงไฟในกองที่กำหนดสั่งกันไว้แล้วก่อนหน้าจะเข้านอนมีอยู่3ามสี่กองดักอยู่ตามปากทางด่านของหมู่หินแวดล้อมบริเวณแคมนที่พักดูจะโรยรีลงแต่ก็อพอเหลือแสงอยู่บ้างเล็กน้อย พวกลูกหาบหลับยามกันหรื อ, อยังไงนี่จึงไม่เติมเชื้อฝืดหม่อมราชวงศ์สาวเม้มริมฝีปากใช้ศอกดันแรงๆไปยังพี่ชายกลางที่นอนอยู่ด้านขวาก่อนกระทบต้นแขนเขาแรงๆถึงสามสี่ครั้งอย่างเจตนาจะทดสอบความรู้สึกปรากฏว่าเขาหลับสนิทจริงๆสนิทเกินไปซะด้วยซ้ำ เพราะการกระแทกแบบนั้นน่าจะรู้สึกแล้วสำหรับอดีตพรานพลยเช่นชุดประชากรหล่อนทดลองใช้อาการเดียวกันไปทางเชิฐาพี่ชายใหญ่ผู้อยู่ทางซ้ายมือก็ไร้ผลเช่นกันเขาไม่รู้สึกตัวเลยเป็นการหลับลึกหรือไม่ฉะนั้นก็ขี้เศร้าผิดปกติไปมาก ส่วนถัดไปเสียงกลนของชายันยังสม่ำเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ละเมอเรียกนามมีรักว่ามาเรียแล้วก็อู้อีอุบอิบฟังไม่ได้สักดารินค่อยๆพงกศสีสั่มองพิจารณาออกไปยังบริเวณที่ตั้งแคมป์ซึ่งเป็นที่ราบโล่งแต่แวดล้อมไปด้วยหมู่หินนั้นอย่างพินิษพิเคราะห์ กองไฟโสมมสีกองดักปากทางด่านอยู่ทั้งสี่ด้านอันเป็นตำแหน่งที่พักนอนของลูกหาบที่แยกย้ายกันอยู่เป็นกลุ่มๆหลอนเห็นจากเงาสลัวสลัวเรือนหลางนั้นว่ามีร่างของพวกที่อยู่เวรยามนั้นนั่งเป็นเงาตะคุ่มอยู่ตรงตำแหน่งริมกองไฟแต่ละกองในมุมต่างๆกันแต่นิ่งเหมือนหินหรือมิฉะนั้นก็ต่อไม้ ลักษณะดูจะผิดสังเกตไปจากพวกลูกหาบของหล่อนยังไงพิกลเพราะอาการของร่างเหล่านั้นคอรุบๆเห็นแต่สองไหลโผล่สูงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแลไม่ชัดเพราะแสงสว่างไม่พอไม่มีแม้แต่ผ้าขาวมาที่จะคลุมหัวทั้งทั้งที่อากาศหนาวเย็นเยือกที่สุด นั่งกันอยู่ตรงกองไฟก็จริงแต่ดันไม่ดูแลสูงไฟเพิ่มตรงพื้นใกล้ๆกองไฟที่รีมอดจะดับมิดับเลยนอกจากลมดึกจะพัดวูบผ่านมาก็แดงโชนขึ้นสักครั้งหนึ่งก็เป็นพวกลูกหาปรุงละสองสามคนยังนอนคลุมโปงกันอยู่ กลางซอกโขดหินปีกซ้ายและขวาซึ่งจำได้ว่านานอิมนอนดักอยู่ทางหนึ่งแล้วขญิงก็นอนดักอยู่อีกทางหนึ่งเป็นเงาที่ค่อนขอ้างนึ่สังเกตอะไรไม่ได้เลยด้าริงกว่าตาอย่างพินิษถีท่วนไปทีละจุดเท่าที่จะเห็นได้แล้วมาหยุดจับขม็งอยู่ที่กองไฟอันใต้ที่สุดทางด้านปลายเทา้า หางออกไปเพียงไม่เกินเจ็แปดเก้าซึ่งมีร่างหนึ่งนงั่งลฮอหลังรุ้มไหนหลังให้หลอนถึงแม้ว่านั่นจะเป็นการอยู่เวรยามตามคำสั่งมันก็ไม่ใช่คนของหล่อนใช่แล้วเพราะขนาดรูปร่างมันผิดวิกลไปมากแม้จะเห็นข้างหลังก็ตาม ดูเหมือนหินหรือท่อนไม้ที่ใครนำมาตั้งไว้ซะมากกว่าหญิงสาวพยายามสั่นปลุกพี่ชายทั้งสองที่นอนขนาบข้างต่อไปแต่ก็ไม่ให้กระตกกระตากผิดสังเกตหรือทาเสียงใดๆให้เกิดขึ้นเลยแต่เขาทั้งสองก็คงหลักเป็นตายไม่ยินยนอะไรทั้งสิ้นอยู่เช่นนั้นลมหายใจสม่ำเสมอรว ย, รวย อย่างคนนอนหลับสนิทและเป็นสุขที่สุดอะไรกันนี่นี่หลอนตื่นขึ้นมาเห็นสิ่งผิดปกติประหลาดหน้าผิสวงนี่ลังพังคนเดียวเหรอลอนฝันกลางดึกหรือเปล่ากัดริมฝีปากดูก็ยังรู้สึกเจ็บอย่างสิษมีครูแล้วครูก็คือระพินไพรวันนั่นเอง ราชวงหญิงดารินวรารธิสำรวมกิจมั่นทั้งทั้งที่ดวงตาเปิดโพรงเช่นนั้นหล่อนพนมมือขึ้นสวดภาวนามหาคาถาชินะบัญชรทันทีจำได้ทุกบททุกตอนอันยาวเหยียดแล้วใช้ฝ่ามือทั้งสองรูปใบหน้าเส้นผมตลอดจนลำแขนทั้งสอง จากนั้นก็ตวัดผ้าห่มขนสัตว์ออกโดยแรงอาการกระตุกแบงเก็ตขึ้นของหล่อนทำให้อนุชาและเชิดาผู้อาศัยห่มคลุมกายอยู่ด้วยถูกผ้ารังออกพ้นจากการคลุมตัวเพราะกับอากาศกลางดึกที่เย็นว่าสัมผัสผิวกายแต่กระนั้นพี่ชายทั้งสองก็หารู้สึกตัวไหม มือซ้ายถือไฟฉายมือขวาถือไรฟิลแล้วหลอนก็ดึงกายขึ้นนั่งทันทีกระโถดตัวอย่างเบากริบออกมานอกผ้าถึงกั้นหลังคางขอบพ้นบริเวณที่นอนก็ลุกขึ้นยืนเต็งตัวเดินช้าๆรงปรีเข้าไปที่ร่างแรกซึ่งเห็นอยู่ใกล้ที่สุดทันที สามเก้าจะถึงหล่อนประกบไฟฉายไว้กับกระโจมมือไรเฟ้นส่งจี้เตรียมพร้อมแล้วกดสวิตช์ไฟขนาดแปดท่อนสว่างจ้าจับเข้าไปทันทีขนาดเตรียมใจเตรียมกายไว้ล่วงหน้าดาลินก็ยังแทบผงาดหลังเพราะแสงไฟฉายที่สาดไปกระทบในระยะใกล้นั้นมันฟ้องชัด ว่าร่างที่นั่งคอรูปเหมือนอีแรงทำหน้าที่อันดูผาดผาดเหมือนลูกหักนั่งคุมผิงกองไฟอยู่นะั้นหาใช่ลูกหักของหล่อนไหมจะดูยังไงก็ไม่ใช่ไปได้เพราะเนื้อตัวรูปร่างมันจะเหมือนคนแต่มันเป็นคนอะไรก็สุดที่จะบอกได้คล้ำสีน้ำตาลปนดำแห่งเกราะ ใหญ่โตมีแต่หนังหุ้มกระดุกดุจไครเอางาวไม้พันปีมาแกะสลักไว้ให้เป็นภาพสำหรับดูในพิพิธภัณฑ์แห่งยุคผีฉะนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ดารินก็คงช็อกหมดสไตไปแล้วแต่สำหรับคืนนี้เดี๋ยวนี้พลังจิตของหลอนเหมือนแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มเ ป, เปี่ยมแล้ว ไม่วาดหวั่นพลันพลึงกับอะไรทั้งสิ้นอรหันตุกพระองค์ประทับสถิตอยู่ตลอดทั้งสรีระทั่วองค์าพยกของหล่อนแล้วด้วยมหาคาถาชินักบัญชนและนั่นคือกำลังใจและความเชื่อมั่นของหล่อนแทนที่จะถามว่าใคร หลอนกลับใช้คาพูดเรียบๆง่ายๆว่าเ <of> จ้าจะเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์ในนรกภูมิใดก็ตามทีเถอะเราก็ยินดีจะแผ่ อ, อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เพราะฉะนั้นไปซะไปเถอะอย่ามานั่งอยู่ตรงนี้เลย ร่างนั้นนิ่งเงียบเฉยดาริงใช้ปลายกระบอกไรเฟิลกระแทกที่กลางหลังมันเบาๆเสียงลำกล้องเหล็กกระทบวัตถุแข็งกระด้างดังกึกเหมือนกระทบต่อไม้ไม่เคลื่อนไหวไม่กระดุกกระดิกหล่อนจับไฟฉายไว้ตลอดเวลาแล้วเดินอย่างระมัดระวงังเลี่ยงอ้อมไปทางด้านหน้าของมัน อันเป็นบริวารอันเป็นบริเวณที่พวกลูกหาบนอนอยู่สามคนในชุดนั้นด้วยความกล้าหาญเกินหญิงเกินสภาพของสามันปุทุชนเพราะจิตแน่วแน่สชยแล้วว่าไม่กลัวและพร้อมที่จะมาเชิญในทุกรูปแบบก็คราวนี้แหละที่เห็นโฉมหน้ากันชัดชัดเพราะมันก็กำลังเหลือตามองหล่อนอยู่เหมือนกัน ใบหน้านั้นเป็นใบหน้าของศพอาบยาที่คำนวณหาอายุไม่ได้ซึ่งดารินจำได้ดีที่สุดว่าหลอนพบประเชิญมาแล้วในปราศาทพันธุมวดีในการเดินทางครั้งนั้นแล้วหล่อนก็มองดูมันอย่างวัตถุโบราณปราศจากความหมายเพียงแค่ระวังตัวเท่านั้นว่ามันเคลื่อนไหวอย่างใดต่อไปบ้าง จับอยู่ที่ใบหน้าและร่างนั้นตัวหล่อนเองสุดลงวางไรเฟิลไว้ก่อนเอามือลูบคำสำรวจลูกหาบชุดนั้นก็พบว่าทุกคนหลับเป็นปกติดียังหายใจอยู่ร่างกายมีอุณหภูมิอยู่เพียงแต่ไม่มีใครรู้สึกตัวตื่นขึ้นเท่านั้นและแต่ละคนของพวกลูกหาบที่นอนสูงกันอยู่ ก็นอนอยู่เบื้องหน้าห่างไห้อมนุษย์ตนนั้นเพียงแค่เอื้อมเท่านั้นดารินยกหลังมือขึ้นขยี้ปลายจมูกหล่อนจะดำเนินการยังไงต่อไปดีนี่แน่ใจที่สุดว่าภายในบริเวณแคมป์ทั้งสิบห้าคนเว้นจากหล่อนขนาดนี้ตกอยู่ในภาวะถูกสะกดลงหมดสิ้นแล้ว เจ้าจะพูดหรือทำสัญญาณบอกข่าวอะไรกับเราได้ไหมว่าเจ้าต้องการอะไรหล่อนฝืนใจพูดขึ้นอีกอก็เหมือนพูดกระท่อนหินต่อไ ม, ม้นั่นแหละมันไ ม, ไม่มีคำตอบใดๆที่จะให้แกหล่อนทั้งสิ้นนอกจากดวงตาเท่านั้นที่จะสอถึงการมีวิญญาณเข้าครองอยู่เพราะมันกลอกดูหล่อนได้ แล้วกรอกดูตามการเคลื่อนไหวของหล่อนอย่างระมัดระวังเช่นกันดาเินลุกขึ้นยืนอีกครั้งเมื่อมันยังไม่สอบปฏิกิริยาเช่นไรหล่อนก็สงวนท่าทีเต็มที่ไม่พรุษสวาาดาทอและไม่แสดงอารมณ์ร้ายใดๆกัมมันทั้งสิ้นเดินแผลอยากให้ร่างนั้นไปก่อนแล้วตรงไปยังอีกร่างหนึ่งซึ่งก็ราวกันนัดกันไว้มันล้วนเอียงเอาส่วนหลัง ให้หลอนทั้งสิ่งร่างนี้หน้าเกลียดหน้าใสอิดสเอียนกว่าร่างแรกซะอีกเพราะริมฝีปากทั้งล่างและบนไม่มีจะมีก็แต่ฟันซี่โตๆสี่ซี่ล่างบนและกรามบางแหงจึงมองดูเหมือนแยกเคี้ยวตลอดการนั่งเขาสูงท่วมหัวอยู่บนก้อนหินเตีย้ยเตียลูกหาบของหลอนนอนกลิ้งหลับกันระเนระนาด ดูราวกับว่ามันจะเชื้อฉยอในพวกนั้นลงนอนแล้วตัวมันเองเข้ามานั่งเฝ้ายามแทนให้งั้ น, นสวัสดีสหายยินดีต้อนรับมาจับมือกันหน่อยเป็นไรดารินก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเหตุใดจึงพูดได้หน้าตาเฉยๆออกไปเช่นนั้นพร้อมทั้งยื่นมือส่งไปให้ปรากฏการประหลาดก็เกิดขึ้นทันที ตัวแรกนั้นหลอนเอาปากลำกล้องปืนกระทุง้งมันไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยไอตัวที่สองที่คุมกองไฟมอดอีกกองหนึง่งพอหญิงสาวส่งมือไปให้เท่านั้นมันก็พังะถอยกรูดไปทันทีไม่ยอมไม่ฝ่ามือของหลอนกระทบถึงตัวมันได้หญิงสาวก้าวตามไปช้าๆมันเริ่มพรวดยืนขึ้นสูงเกลือกเจ็ดฟุต แต่ก้าวถอยหลังหนีพอรอนหยุดมันก็หยุดดารินหัวรอ้อถ้าถ่ายไม่ผิดก็เจ้าพวกนี้แหละที่เดินตามพวกข้ามาในถ้ำใต้ภูเขาเมื่อบ่ายนี่บริวารลูกกระโลกของมันไรทั้งนะั้นเหมือนเหมือนกับพูดกับคนธรรมดา หลอนต่อว่ามันแล้วก็ละความสนใจจัดให้ตัวนี้ไว้อีกเดินเก้าฉชับชับตรงไปที่กองไฟสุดท้ายที่เห็นอีกตัวหนึ่งนั่งอยู่เพียงแต่ใกล้เข้าไปเท่านั้นร่างของอมนุษย์ตนนั้นก็ยืนขึ้นทันทีแล้วก็เดินช้าๆหนีเข้าไปบังมุมอยู่ที่ก้อนหินโผล่ให้เห็นเพียงครึ่งตัว หล่อนเอาไฟฉายสองหน้ามัมมี่ของฟาโรยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดหนกแก้มสูงคางเรียวส่วนปลายของจมูกแหว่งหายไปแล้วเป็นโพรงโวลึกเข้าไปนี่ถ้าคนของข้าเป็นอะไรไปแม้แต่คนเดียวพวกเจ้าอย่าหวังเลยว่าจะได้ผุดได้เกิดหล่อนประกาศ พร้อมกับก้มลงตรวจดูลูกหาบที่หลับปุ๋ยเหล่านั้นต่อไปซึ่งก็พบว่า น, นอกจากหลับอย่างถูกสะกดแล้วไม่มีใครถึงแก่ชีวิตแม้แต่คนเดียว93บัดนี้ดารินวราฤทธิ์เดินคว้างอยู่คนเดียวทา่ามฟางแคมาที่ถูกเหล่าอสุรกายยึดไว้หมดแล้วคงเหลือหล่อนเพียงคนเดียวจริงๆที่มันยังไม่อาจครอบงำได้ 3มตนที่หล่อนเข้าไปส่องไฟดูใกล้ๆเหล่านั้นบัดนี้ก็ยังไม่เร้นหายไปไหนยังป้วนเปี้ยนเคลื่อนไหวชมช้าอยู่ภายในบริเวณแคมป์ของหล่อนนั่นเองเรากับจะเป็นพวกลูกหาาเพียงแต่ว่าไม่ยอมให้หล่อนเข้าใกล้ชิดหรือว่าตัวมันจะไม่บางอาจเข้ามาใกล้ชิดหล่อนเท่านั้นอันดับต่อไปดารินพุ่งไปยังตำแหน่งที่ขยินนอนอยู่อีก พบร่างของเจ้าอาดีตนักเลงโตล่มช้างนอนคูตะแคงห่มกระสอบป่านอยู่จับชีพจรดูก็ปกติยังมีชีวิตอยู่เขย่าปลุกก็อู่ออีเหมือนคนเมาไม่ยอมตื่นสำหรับทางขยินนี้หล่อนมองไม่เห็นอมนุษย์ตนใดอยู่ใกล้เคียงขนาดเตะพลักเขาให้ที่สีข้างขยินก็ยังไม่ยอมตื่นคนสุดท้าย ล่นตรงไปยังปากทางด่านสำคัญตำแหน่งที่นอนของครูพรานผู้เฒ่าคือหนานอิงพอใต้เข้ามาเท่านั้นก็ได้ยินเสียงอึกอักอึกอกเหมือนจะร้องเรียกอยู่ในลาคอพอฉายไฟกราดเข้าไปก็เห็นพรานเฒ่านอนงายลืงตาค้างอยู่ลักษณะของแกไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่มีสภาพเหมือนคนเป็นอมาาพาธไปชั่วขณะ ขยับขยื่นตัวไม่ได้ถนัดเสียงก็ไม่มีได้แต่ไหวตัวดึบดิบดึบดิบเหมือนหนอนมีอาการเหมือนพยายามจะลุกขึ้นแต่คล้ายมีอะไรหนักหนักมาทับตัวไว้เหนือศีรษะของแกห่างออกไปเพียงห้าก้าวร่างสูงใหญ่ทะมึนในเครื่องแต่งกายที่พอจะดูออกว่าเป็นชุดนักรบโบราณยืนตรังงานคุมเชิงอยู่ และบัตรนี้กาลังเสยแยแข็งใ้ายจะยิ้มรับหลอนถลันตราเข้ามาใกล้พร้อมกับไฟฉายในมือแล้วหลอนก็ต้องชัะจำได้ไม่ผิดเลยไปตาอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไอ้รูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างนี้แหละที่หลอนมองเห็นในความฝันที่หลอกล่อระพินให้ลงไปหล่นเหวนักที่ใดที่หนึง่ง มันไรหลอนร้องเรียกออกไปด้วยเสียงหนักหนกใช่แล้วนางผู้โสผิดเสียงตอบมาด้วยภาษาลผ่านเข้าดวงจิตของหลอนและเข้าใจได้ดีที่สุดเราคือมันไรผู้อมัต เป็นวาสนาของเรานักที่นางยังจันเราได้แม่เราจะมิดได้อยู่ในร่างเดิมของเราแล้วที่เจ้าต้องการอะไรนี่เจ้ายัางตามมาราวีพวกเราอีกด้วยประสงค์ใดเราโอดหอดุจกรรมให้เจ้าหมดแล้วนี่หล่อนร้องออกไป จอมันไตรผีดิบหัวเราะเสียงแหบๆระยะห่างจากหลอนประมาณสามว่าอะโหสิกรรมนะอะโหสิกรรมจะยังประโยชน์อันใดขึ้นมาได้เล่าในเมื่อพวกของนางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพรานไพรผู้กำแหงหารผู้นั้น ทำลายล้างอาณาจักรที่เราครอบครองจนพินาศสิ้นปล่อยพันธุ์ ม, มวว ด, ดีให้หลุดพ้นจากอ้อมอกเราไปอะไรเราที่จะมาชดเชยทดแทนได้ถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องการอะไรบอกมาสิบอกมาขอให้หมดสิ้นเวรกรรมเงินทัทีเถอะ เราไม่ประสงค์จะ ก, ก่อเวรภัยใดๆกับเจ้าอีกแล้วนะไม่เห็นเหรอแม้แต่บริเวณบริวารของเจ้าที่บังอาจเข้ามายึดครองค่ายพักของเราเราก็ไม่ได้ทำลายใดๆเลยปล่อยพวกมันเข้ามาเพ่นพ่านอยู่นั่น <laughs> พีฉนั้นไซขออัญเชิญจิตรางขนางเทวีจงเสด็จ มาสู่อ้อมแขนของมันไรผู้พักดีผู้รอคอยมานานนับแสนปีเถิดเราจะไปอยู่ด้วยกันแล้วมันไรจะไม่มาปรากฏกายให้มนุษย์โลกได้เห็นอีกเลย <c ười> จิตรางคณางเทวีเหะ ดารินร้องงุนงงไปหมดใครกัดจิตรางคนางจิตรางคนางก็คือผู้ที่ประทับยืนอยู่เบื้องหน้ามันไรนะับบัดนี้นี่แหละในบรรพ ช, ชาตินานแสนานานมาแล้วแต่ในความรู้สึกของมันไร เสมือนเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองใต้ฟ้าพระบาทคือเชตพัคทีนี้ของพันธุ์ุมวดีดำรงตำแหน่งมกุฎราชากุมารีแห่งนิทรานาครผู้จะสืบราชบัลลังก์สืบแทนพระราชบิดาแต่ใต้ฟ้าพระบาททรงชิงชังมันใจ ร, ราชปุโรหิต ผู้แสนจะรักและพักดีต่อเบื้องบากผู้นี้นักทิ้งดื่มยาพิษละพระชนชีพพระหนีมันไรไปซสก่อนเมื่อเห็นว่าจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นคงทิ้งแต่พระคณิตถภักคณีพระคงทิ้งแต่พระคณิตถาพันธุมมวดีไว้เมื่อพลาดจากพี่สาว มันใจก็ต้องหันเข้าหาน้องสาวที่ยังเหลืออยู่แม้ว่าความงามน่ะสิบพันธุมวดีก็ยังหาเทียบเท่าจิตรางขนางเทวีไม่บัดนี้โอกาสที่รอคอยแสนนานของมันใจไดมาถึงแล้วเมื่อใต้ฟ้าพระบาทมาปล่อยพระคณิฐา ให้หลุดรอจากอ้อมอกของมันไรไปก็ขอจงกลับมาแทนตัวเธอมันไทรได้ตั้งสัจวาจาว้แล้วจะอีกกี่หมื่นกี่แสนชาติก็จะรอรอเพื่อความรักมันไทรจะรอไอ้บ้า นอกจากจะเป็นปีศาจร้ายนี่เจ้ายังเป็นปีศาจที่ตัวบ้าที่สุดด้วยข้าน่เลยคือจิตรางกนางพี่สาวของบันธมวดีที่เจ้าหมายปองมาก่อนดารินตะหวาดลั่นแต่เสียงหลอนคงจะดังไม่เกินกระซิบเท่านั้นสมองหมุนคว้างไปหมดสติสัมปชัญญะเริ่มเลือนเลือนรางรางขาดขาด หาแต่ฟ้าพระบาทเกิดแล้วดักดักแล้วเกิดวนเวียนกันอยู่เช่นนี้หลายร้อยหลายพันชาติจนลืมชาติเดิมเก่าก่อนในอดีตการไกลโพ้นหมดสิ้นส่วนมันไรสิยังคงอยู่ ยังคงรอคอยด้วยจิตอันภักดีและมั่นคงพบกันในครั้งก่อนก็ยังไม่มีโอกาสที่จะเตือนให้ระลึกถึงความหลังได้แต่พบกันครั้งนี้น่ะเหมาะนักขออันเชิญเถิดพระเจ้าค่ะอันเชิญกลับสู่มหาปราสาททองของนิทราคนคร ซึ่งจะไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยกล่าวพางุงแขนอันกว้างใหญ่นั้นก็อ้าออกเหมือนจะรอรับมันไงแม้ว่าเราคือจิตรางค์ขนางที่เจ้าว่าจริงและเจ้าเฝ้ารอคอยเราอยู่จริงแต่ชาติพบมันก็ได้ผ่านไปหลายกลับหลายกันแล้วชาตินี้ เราไม่มีอะไรจะผูกพันกับเจ้าเลยเจ้าจงไปตามทิศทางของเจ้าและสู่สุคติภพที่ดีกว่านี้เถอะปล่อยให้เราไปตามทางของเราดีกว่าอมนุษย์ผู้มีริ์และมีวิญญาณอันเป็นอมตะสายหน้าแช่มช้ากรรมะกรรมะ เป็นสิ่งที่ไม่สูญหายสลายไปจากจักรวาล น, นี้สัญญาณเก่าก็ย่อมมีการสืบต่อเนื่องแม้มิตามทันในชาติใดก็ย่อมจะชาติหนึ่งท่านทงมวดีตกอยู่ในอำนาจของมันไตรมานานแสนนานนี่มิใช่ผลของความผูกพันต่อเนื่องกันมา ในฐานะพี่สาวและน้องสาวรอกเหรอมาชาตินี้ใต้ฟ้าพระบาทและพวกจึงหวนกลับมาทำลายล้างมันไตรและปลดปล่อยน้องสาวให้หลุดลอยไปได้มันไตรนี่จะไม่มีการเอาโหสิกรรมกันเลยเหรอเนี่ย อ า, หาโหสิกรรมจะหมดสิ้นไปก็ต่อเมื่อมีการชดใช้ถ่ายบาปเท่านั้นมีใช่ว่าใครทำกรรมไว้แก่ผู้ใดแล้วต้องการจะพ้นกรรมนั้นก็เอเ่ยเป็นวาจาแต่เพียงถ้อยคำว่าขออโหาสิหาเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหม ก็เราไปทำกันใดไว้กับเจ้าละ่ะมันไตรทำกรรมอันใดเหรอหนึ่งพระหนีไปจากหัวใจที่แสน ร, รักและพักดีของชายหนึ่งสองยังติดตามมาปลดปล่อยนางผู้เป็นตัวแทนแห่งความรักนั้นด้วย นี่มีเรียกว่ากรรมเนอมันไรเราไม่รู้ตัวเลยนะเราไม่มีเจตนาถ้ารู้เราก็จะไม่กระทำเจ้าเราเป็นปีศาจร้ายที่ไม่รู้จักผู้จักเกิดและเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทถ้าสิ่งที่เจ้าพูดนี่เป็นความจริงเรื่องราวมันก็ผ่านมา ก, กี่การ กี่กันมาแล้วเจ้ายังปราถนามุ่งมั่นอยู่ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แม่จะขอถามหน่อยว่าแม่เราไม่ได้สมัครรักเจ้าแต่บรรพชาติยาวไกลน่ะมันเป็นบาปของเราด้วยเรอะไ <c oughs> ต่ฝาพระบาทไม่รู้ความในที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นต่ฝาพระบาท ผิดสัจจะเองสมเด็จพระราชบิดาพระชนชีพขาดแล้วถึงคราวที่จะต้องสวรรคตแต่ใต้ฝ่าพระบาทมาขอร้องมันไรให้ทาพิธีต่อพระชนชีพให้ด้วยความรักที่มีต่อมกุฎราชากุมารีจิตรางคนานมันไรต้องยอมสลักควักดวงตาง ตั้งหนึ่งออกเข้าพิธีถวายเป็นโอสถดต่อพระชนชีพเท้าเธอจนดำรงชีพอยู่ต่อมาได้อีกงานโดยสัญญาว่าจะเข้าพิธีอุปเสกกับมันไรผู้ช่วยชีวิตพระราชบิดาแต่ครั้นเมื่อมันไรสละให้แล้วพระราชบิดารับรู้ ยินยอมยกใต้ฝ า, าพระบาทให้แล้วใต้ฝ า, าพระบาทก็ชิงเปลี่ยนพกหนีไปซะนี่ไม่ใช่ความบาปความตอแหลหลอกลวงของอิสตรีหลอกเรอ้อ <c oughs> <c oughs> มันไตรถ้าเช่นนั้นมันก็แปลว่าเราไม่ได้มีจิตเสน่หาเจ้าเลยนะใช่ใต้ฝ า, าพระบาทไม่ได้มีจิตผูก มันพิษสวาสดมันไรผู้พักดีเลยแต่ไปหลงรักอยู่กับอัคนีรุษกัตข้าศนุ่มโฉมงามแต่อาไ ม, ม่หิดแห่งปัญจาละศัตรูกเก่าของนิทรานครอัคนีรุษเหรอใครอีกแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็จะใครซิอีกเล่าก็อยพรานพรซ้อมซอพเนจรในปัจจุบัน ไต่ฟาพระบาทดันดนหามันแทบเลือดตากระเด็นอยู่นะสิมึงกับแสนกันไม่เคยได้ผ่านพบกันอีกเลยเพิ่งจะมาพบกันในชาตินี้กรรมที่มันก่อไว้ในอดีตการทําไม้มันต้องมาทุเรศสมสานหลงรักใต่ฟาพระบาทอยู่ในชาตินี้ ใตฝ่าพระบาทก็ยังอุตส่าห์ผูกสมัครรักใครตอบไปตามค้นหามันอยู่อีกมันกำลังเดินทางไปสู่ความหายันนะจะตามมันไปทำไมระพินโธ่ดารินครางออกมาตกตะลึงร่างสูงใหญ่ในชุดนักรบนั้น เริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ลอนอย่างแช่มช้าในขณะที่หญิงสาวเริ่มตกอยู่ในอาการพวังลืมตัวเสียงมันไตรแผวเบามาอีกกระทบลึกเข้าไปกลางใจของม่อมราชวงศ์ดารินวราริกฝาพระบาทขอให้ใต้ฝ่าพระบาททรงสาด้วยมันไรต่อพระชนชี ให้แก่พระราชบิดาของพระองค์แต่อาคณีรุษกรีธาทัพเข้าเยียบย่ำรบราวีแล้วในที่สุดพระราชบิดาก็สิ้นพระชนในที่รบกลางสมรภูมิธนูของอาคณีรุทุ่งเสียพระศอแล้วนั้น คือสาเหตุที่ฟาพระบาทดื่มยาพิษปลงพระชนองค์เองอันเนื่องมาจากหลงรักชายคนแต่ชายคนนั้นมันฆ่าพอ่อมันไรต่างหากที่มิใจรักอันบริสุทธิ์ต่อใต้ฟาพระบาทสลักหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งดวงตาบัดนี้จงมาเถิด มาสู่อ้อมแขนที่รอคอยมานานแสนนานนับกับกันของมันไกลอ้อมแขนนั้นอกใต้ร่างที่ยืนสั่นเทิมของหล่อนใกล้เข้าใกล้เข้ามาดาริมวาริ มีเสมือนตกอยู่ในภาวะถูกสะกดชละหลวนยินประสานดวงตาคู่กระหลาดปาลูกแก้ของพ้อมดนั้นไม่กระติกสิ้นสภาพความเป็นตัวของตัวเองลงชั่วขนาดในโสดประสาทส่วนลึกหรือมิฉะนั้นก็ในดวงจิตของหล่อนแวววแต่เสียงเปลงกระสิบเรียกนามจิตรางขนางจิตรางขนาด สียงนั้นสะท้อนก้องกลับไปกลับมาและภาพที่ซ้อนเป็นเงาอยู่บนใบหน้าอันเหี่ยมหานของซากนักรบรูปนั้นก็แลเห็นเป็นภาพข้าวหน้าของนักบวชล้นมันไรซ้อนทับอยู่ไม่ได้ดูหน้าเกลียดหน้ากลัวผิดจากภาพศพอาบยาเหมือนที่เคยเห็นในสมัยก่อนแต่เป็นใบหน้าอันสดใสเปล่งปลังของราชปุโรหิตหนุม่ม ในเครื่องแต่งกายอันเรืองรองไปด้วยเครื่องหมายแห่งอิสริยยศแห่งมหาอาณาจักรอันใหญ่ยิง่งยุคใดยุคหนึ่งของมนุษยชาติที่เคยมีความรุ่งเรืองไพศาลมาแล้วในปฐมกาลวงแขนอันกว้างใหญ่กำยำนั้นโอบในลักษณะประกองเกือบจะรอบตัวและทางไม่เกินองคุรีเดียวก็จะสัมผัส ลอนอยู่แล้วนบบัดนั้นเองเรากับผิวกายของหล่อนจะประกอบขึ้นโดยกระแสไฟฟ้านับแสนโวลต์อาบไปทั่วทั้งร่างมันไรสะดุ้งสุดกายกระตุกแขนทั้งสองพงหกออกไปอย่างแปปวดกระทันหันพร้อมกับเสียงอุทานตไปไม่เป็นภาษาดารินคงยืนนิ่งอยู่ณที่เดิมไร้สํานึกเช่นนั้น มันไตรในซ่าของนักรบเคลื่อนเข้ามาอีกอย่างหมายมั่นพยายามที่จะเอื้อมมือให้ถึงหล่อนในระยะที่ยืนประจันหน้ากันอย่างกระชั้นชิดนั้นให้ได้แต่พอมือนั้นใกล้เข้ามาบุดวิดบุดวิดจะถึงตัวก็ต้องกระตุกหดกลับและมีอาการอยู่เช่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า ใต้ฟ้าพระบาทกระแสเสียงวิงวอนระคนเร่าร้อนใจนั้นดังมาระล่ำละละักมันไกลนี่มิอาธทจะแต่ ต, ต้องพระวรกายได้เลยขอได้ปดปรดวัดสิงเสียดที่ไต้จุ ก, กับพระอุระจากองค์เสือก่อนเ อย่างเลื่อนลอยหญิงสาวปล่อยไรเฟิลกับไฟฉายที่ถืออยู่กับมือลงกับพื้นโดยไม่รู้สึกตัวค่อยๆ ย, ยกมือขึ้นแตะที่อกเสื้อตัวเองเสียงกระซิบว่าหลดสิ่งเสนียดนั้นออกไปซะหลดออก เวียงมันไปให้ไกลที่สุดนั่นเหมือนจะเป็นการออกคำสั่งบังคับอยู่เหนือดวงจิตของหลอน